จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวนันอาทิตย์ที่2ธันวาคมพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัน เพื่อมาสร้างบุญสร้างบารมีเพราะเชื่อว่าบุญบารมีนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่นำมาสึ่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งในพบมีและพบที่จะตามมาต่อไปคนเราที่เกิดมามีความแตกต่างกันทางด้าน าาาาทางด้านการเงินการทองทางด้านความรูม้ความสามารถทางด้านารูปร่างหน้าตาทางด้านอะไรต่างๆล้วนเป็นผลที่เกิดจากการได้สร้างบุญบา ร, รมีมาไม่เท่ากันผู้ใดได้สร้างบุญบา ร, รมีมากก็จะได้ความสุขความเจริญ ความรูปความฉลาดความสามารถทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมากมีรูปร่างหน้าตาสวยงามแล้วก็มีอายุเงินยาวนานดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราบันสร้างบุญบารมีกันเพราะเป็นเหมือนการให้น้ําให้ปุ๋ยแก่ต้นไม้คือจิตใจของเรา บุญบารมีนี่เป็นเหมือนน้ำเป็นเหมือนปุ๋ยใจของเรานี่เป็นเหมือนต้นไม้ถ้าต้นไม้ได้รับปุ๋ยได้รับน้ำอย่างต่อเนื่องต้นไม้ก็จะเจริญ ง, งอกางามอย่างรวดเร็วลองสังเกตดูต้นไม้ที่ได้รับการดูแลกับการไม่ได้รับการดูแลนี้จะมีความเจริญ ง, งอกางามต่างกันฉันใด บุคคลต่างๆที่มาเกิดในโลกนี้ก็เฉงนั้นมีความเจริญมีความสุขไม่เท่าเทียมกันถึงแม้จะมาจากครอบครัวเดียวกันมาจากพ่อแม่คนเดียวกันแต่ใจไม่ได้มาจากพ่อแม่ใจนี้เป็นของบุคคลที่ตายจากชาติที่แล้ว หรือตายจากชาตินี้แล้วก็ไปแสวนอาร่างกายใหม่ตามกำลังของบุญบรารมีถ้ามีบุญบรารมีมากก็จะสามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้อย่างรวดเร็วถ้ามีบุญบรารมีน้อยก็จะต้องไปใช้บาปใช้กรรมในระบายก่อน กว่าที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษใหม่เมื่อกลับมาเกิดก็จะมีความแตกต่างกันทางด้านฐานะการเงินการทองทางด้านรูปร่างหน้าตาทางด้านความรู้ความสามารถต่างๆนี่เป็นผลที่เกิดจากการสะสมบุญบารมีมาดังนั้นถ้าเราอยากจะเก่งอยากจะฉวาด อยากจะร่ำ อ, อยากจะรวยอยากจะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามอยากจะมีอายุยืนยาวนานเราก็ต้องหมั่นสร้างบารมีต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและได้ทรงสร้างมาแล้วพระพุทธเจ้านี้เป็นตัวอย่างของผู้ที่ได้สะสมบุญบารมีมาจนได้ครบทุกอย่าง สร้างบุญบารามีมาได้เต็มร้อยเพราะอง์จงได้สามารถตัดสร้เป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าไม่ได้สร้างบุญบารามีมาพอจะไม่มีวันที่จะตัดสร้เป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้นี้ต้องสะสมบุญบารามีมามากกว่าพระอาหารหันตสาวกพระอาหารหันตสาวกนี้ บารมีไม่เท่ากับพุทธเจ้าแต่ก็สามารถบรรลุถึงพานิพานได้หลือพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยอำนาจของบารมีของพระพุทธเจ้าคือต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้ก่อนแล้วพอพระองค์ทรงประกาศพระธรรมคำสอนผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็จะสามารถน้อมเอา บารมีของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติโดยที่ตนเองไม่ต้องไปสะสมบารมีอย่างมากมายเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสะสมมาก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้อย่างรวดเร็วด้วยองนาจของปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้า ด้วยอำ น, นาจของเมตตาบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีความเมตตาต่อสัตวโลกสงสารเห็นสัตโลกถ้าไม่มีพระองค์มาเผยแผ่พระธรรมคำสอนจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเอกหลายกับหลายกันด้วยกันเพราะจะไม่มีใครจะสามารถสะสมบุญบา ร, รมี อย่างที่พระองค์ได้สะสมมาได้เลยมีบ้านก็เพียงไม่กี่คนที่เรียกว่าพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะได้ตัดสั้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปมีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอย่างพวกเราที่สะสมบารมีกัน mm. เพียงเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอแต่ก็พอที่จะ เป็นเครื่องสนับสนุนให้เราสามารถปฏิบัติให้หลุดพ้นจากการเวรว่ายตายเกิดได้ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาบรารมีของพวกเราตอนนี้ก็มีความต่างกันเหมือนที่พระเจ้าทรงแยกแยกไว้ว่าเป็นบัวสี่หลับบัวสี่หลันี้ก็เป็นการแยกลำดับของบรารมี ของผู้ที่ได้สะสมมาพวกที่อยู่เหนือน้ำนี้เป็นพวกที่มีบารมีมากเพียงแต่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็จะสามารถบรรลุตัดสรัรลุลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้พวกที่สองเป็นพวกที่ยังไม่ได้เป็นบัวที่ยังไม่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ ต้องรอเวลาให้ให้ได้เจริญงอกงามโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำก่อนแล้วจึงจะสามารถบรรลุได้พวกนี้ก็เป็นพวกที่เป็นพวกที่เป็นนักบวชมีศีลแล้วแต่ยังไม่สามารถมีสมาธิ พวกแรกนี้เป็นพวกนักบวชที่มีสมาธิแล้วพอได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ส่วนพวกที่ส า, านี้เป็นพวกที่ยังไม่สามารถบวชบวดได้เช่นกาลวาดายานโยนต่างๆแต่มีศรัทธาที่จะเข้าวัดเพื่อมาทำบุญ มารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติไปตามกำลังพวกนี้ก็จะต้องใช้เวลาสร้างบารมีพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์จากศีล5้าก็รักษาศีลแปดพยายามภาวนาเจริญสติอยู่เรื่อยๆพอจิตใจมีความสงบไม่ฟุ้งซ่านก็จะมี ความสามารถที่จะออกบวชได้และเมื่อออกบวชแล้วถ้าตั้งใจปฏิบัติเจริญสติอย่างต่อเนื่องไม่นานก็จะสามารถมีสมาธิได้พอมีสมาธิได้แล้วก็สามารถน้อมเอาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเ จ, จา้าคือพระอริยสัจสี่้ามาสอนตนได้สอนตนให้รู้ว่า การที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องละต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากเช่นกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหากามตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลถะภาภาวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นวิภวะตัณหาคือความอยากไม่มีอยากไม่เป็น ถ้ามีสมาธิแล้วจะมีกำลังที่จะละทันหาเหล่านี้ได้เพราะความสุขที่ได้จากสมาธินี้มีความสุขมากกว่าความสุขที่จะได้จากการได้สิ่งต่างๆมาแต่ถ้ายังไม่มีสมาธินี้จะไม่มีกาลังที่จะต่อสู้กับความอยากเช่นอยากในรูปเสียงกลิ่นรส อยากไปเที่ยวอยากจะไปดูอยากจะไปฟังอยากจะไปดื่มอยากจะไปรับประทานอยากจะมีคู่ครองอย่างนี้แต่ถ้าทำใจให้สงบได้แล้วก็จะมีกำลังที่จะต่อต้านความอยากเหล่านี้ได้ก็จะสามารถละกามตัณหาได้เช่นเดียวกับภวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากร่าอยากรวย อยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตถ้ามีความสุขที่ได้รับจากการทำใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วจะเห็นว่าการเป็นนั่นเป็นนี่นั้นมันไม่เป็นสุขเลยจะเป็นทุกข์เสียมากกว่าเพราะจะต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้มาเมื่อได้มาแล้วก็ต้องคอยดูแลรักษาการที่จะต้องวุ่นวายกับ สิ่งที่ได้มาวุ่นวายกับการหาสิ่งที่อยากได้มาอันนี้ไม่ใช่เป็นความสุขเป็นความทุกข์การอยู่เฉยๆแล้วมีความสุขนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงนี่คือเรื่องของการสร้างบุญบา ร, รมีถ้าเราพยายามสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆ ที่พระเจ้าทรงสอนให้เราสร้างกันจิตใจของเราก็จ ะ, จะเจริญนอกงานไปตามลำดับจากเป็นจากบุคคลที่มีศรัทธาเป็นค า, า, ารวาสต่อไปก็จะออกบวชได้เมื่อบวชได้ก็จะปฏิบัติจนได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วก็จะสามารถเอาธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนคือพระอริยาาสัจสี นี้เข้ามาทำให้ใจหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้บารมีที่พระเจ้าทรงสอนให้เราสร้างกันก็คือทานบารมีอันนี้เป็นขั้นแรกขั้นปฐมหรือขั้นอนุบาลเราต้องสร้างทานบารมีก่อนเราต้องใจกว้างมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่หวงในทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบให้ผู้มีความสุขนี่คือบารมีข้อแรกที่เราควรจะทำกันอย่างที่ท่านทั้งหลายมาทำกันอย่างต่อเนื่องนำเอาอาหารขาวหวานข้าวของต่างๆเงินทอ ง, า ง, างมาบริจาคให้แก่วัดให้แก่พระภิกษุอย่างนี้เรียกว่าเป็นทานบารมีเราสามารถสร้างทานบารมีได้กับ ทุกคนไม่ว่าไม่เฉพาะแต่วัดกับพระเท่านั้นเราสามารถสร้างทานบรารมีให้แก่ผู้อื่นด้วยการให้แก่ผู้อื่น mm hmm. เช่นให้ให้บิดามารดาให้ผู้มีพระคุณให้ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือให้ญาติสนิทพิสหายอเหล่า น, นี้ก็ถือว่าเป็นทานบรารมีการให้นี้ต้องการให้เราให้เพื่อเราจะได้ ไม่หวงไม่ตนันีไม่อยากได้มากเกินไปเพราะว่าถ้าเรามีความอยากได้มากแล้วมันก็จะทำให้เราต้องเสียเวลากับการไปหาเงินทองหาสมบัติข้าวของต่างๆที่ไม่ใช่เป็นบารมีไม่ไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์แต่จะเป็นเหตุ ที่จะทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดเพิ่มขึ้นไปอีกดังนั้นขั้นแรกเราต้องหมั่นสร้างทานบารมีพอเราสร้างทานบารมีได้แล้วเราก็จะสามารถขึ้นสู่ขั้นที่สองคือศีลบารมีได้เราก็จะสามารถรักษาศีลได้ถ้าเราใจบุญสุนทานเราจะไม่ชอบทบําบา ถ้าเราชอบทําทานทําบุญเราจะไม่ชอบทําบาปเมื่อเราไม่ชอบทําบาปเราก็จะรักษาศีลได้เบื้องต้นก็รักษาศีลหไปก่อน ล, ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดปรเวณีละเว้นจากการพูดปด่นละเว้นจากการเสพสุรายาเมาื่อเรารักษาศีลห้าได้แล้ว ต่อไปเราก็จะเพิ่มเป็นสิงหแปดได้เมื่อเรารักษาศิงหแปดได้เราก็จะสามารถจเจริญบารามีขั้นต่อไปได้ก็คือเนคขมภ์มมบารมีเนคขมภ์บารามีแปลว่าการละความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสคือการไม่หาความสุขจากการเสพการคือไม่ใช ไม่ใช้รูปเสียงกลิ่นรสผดถพะมาให้ความสุขกับเราแต่เราจะหาความสุขจากการไม่เสพการด้วยการถือศีลแปแล้วก็ด้วยการทาใจให้สงบการจะทาใจให้สงบเราก็ต้องเจริญสติควบคุมความคิดของเราอย่าให้คิดฟุ้งซ่านอย่าให้คิดเรื่อยเปื่อยพยายาม หยุดความคิดต่างๆที่ไม่จาเป็นจะต้องคิดด้วยการใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราพุทโธพุทโธไปเราก็จะไม่สามารถคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ได้พอเราไม่คิดเรื่องต่างๆใจเราก็จะว่างจะเย็นจะสบายจะมีความสุขและเวลาเรานั่งสมาธิเราก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้ เราก็จะสามารถเจริญบารมีขั้นต่อไปได้ก็คืออุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีก็คือการทําใจให้ปล่อยวางให้ว่างไม่ยึดไม่ติดไม่รักไม่ฉันไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่หลงขณะที่ใจอยู่ในความสงบนั้นใจจะมีความเป็นกลาง คือจะไม่มีความโลภไม่มีความอยากไม่มีความโกรธความเปื้อไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงนี่คืออุเบกขาที่เราจะได้จากการนั่งสมาธิที่เราจะได้จากการฝึกสติควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดเรื่อยเปื่อยพอเรามีอุเบกขาบาลามีแล้ว ขั้นต่อไปเราก็จะสามารถเจริญปัญญาบารลีได้ปัญญาบารลีก็คือธรรมะที่พระเจ้าทรงตัดจะรู้คือพระอริยสัจสี่เราจะเห็นทันทีว่าเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาเราใจของเราจะร้อนขึ้นมาทันทีเหมือนกับมีเข็มมาทิ่มแทงใจเราเวลาเกิดความอยากขึ้นมา ใจของเราจะร้อนขึ้นมาจากที่เคยสงบเป็นอุเบกขาพอคิดอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ใจก็จะร้อนขึ้นมาเหมือนถูกเข็มทิ่มแทงใจถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะหยุดความอยากทันทีเพราะเราไม่ต้องการที่จะให้ใจเราร้อนไม่ต้องการให้ใจเราทุกเราก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้ อันนี้เรียกว่าการมีปัญญาบารมีเมื่อเราสามารถอยู่ความอยากได้แล้วใจของเราก็จะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอก็จะไม่อยากได้อะไรจะมีแต่อยากจะให้ผู้อื่นเราก็จะมีเมตตาบารมีเราก็จะเจริญเมตตาบารมีได้เพราะว่าเราไม่อยากได้อะไรเราไม่หิวเรามีแต่อยากจะให้คนอื่น มีอะไรได้อะไรมาเราก็จะเก็บไว้เพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้นที่มีเหลือเราก็จะแบ่งปันให้ผู้อื่นเพราะความสงสารเพราะมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นและถ้าเกิดผู้อื่นเขาคิดร้ายกับเราทำร้ายเราเราก็จะไม่โกรธเขาเพราะว่าเวลาเราโกรธเราจะเห็นว่าเป็นเหมือนเอา พอนมาทุกศีรษะตัวเราเองเวลาโกรธนี้ใจของเราจะทุกข์มากจะเจ็บแค้นมากคนฉลาดจึงไม่โกรธมีคนง่อเท่านั้นที่โกรธเพราะไม่รู้ว่าความโกรนี้เป็นโทษกับตนเองไม่ได้เป็นโทษกับผู้อื่นนี่คือบาลเมตต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราหมั่นสร้างกันขึ้นมา คือทางบาลมีสิงบรารมีเนคข ม, มะบาลมีอุเบกขาบาลมีปัญญาบรารมีเมตตาบาลมีการที่เราจะสร้างบรารมีเหล่านี้ได้เราก็ต้องมีอธิษฐานบาลมีอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจเราต้องตั้งใจก่อนเช่นตั้งใจว่าเกิดมาชาตินี้เราจะสร้างบารามี เราจะไม่มาหาเงินหาทองเราจะไม่มาหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้จากบุคคลนั้นบุคคล น, นี้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงไม่ให้เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขชั่วคราวและเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานั้นมันไม่ใช่มันไม่เทียมมันมีเกิดีดับ เวลาเกิดเราก็ดีใจเวลาดับเราก็จะเสียใจดังนั้นเราจะไม่เสียเวลากับการที่จะมาหาความสุขต่างๆจากสิ่งต่างๆในโลกนี้แต่เราจะมาหาความสุขที่เกิดจากการสร้างบารมีต่างๆเราก็ต้องตั้งใจตั้งอธิษฐานขึ้นมาอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจว่าชาตินี้เกิดมา จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างบาราีคือทานบาราีศีลบาณานีเนคขมะบาณีอุเบกขาบาณีปัญญาบาราีเมตตาบาราีถ้าเรามีความตั้งใจแล้วเราก็จะได้หมั่นมาวัดมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาอยู่วัดถือศีลแปดมาปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบแล้วก็ ทำใจให้ชราให้เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากของเราการจะดับความทุกข์ก็ต้องละความอยากจะละความอยากก็ต้องละด้วยปัญญาคือเห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของเราเองอนี่คืออธิษฐานบรารมีพอเราตั้งอธิษฐานแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องมีสัจจะบรารมี คือเราต้องมีความจริงใจแน่วแน่ต่อความตั้งใจของเราสัจจะแปลว่าความจริงพูดอะไรก็ต้องทาอย่างนั้นไม่ใช่พูดแล้วไม่ทำถ้าพูดแล้วไม่ทำอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะเช่นนัดกันว่าวันนี้จะมาวันพอถึงเวลาก็เปลี่ยนใจว่าวันนี้ไม่มาเสียแล้วอยากจะไปที่อื่นอยากจะไปทำธุระอย่างอื่นอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะ มีอธิษฐานแต่ไม่มีสัจจะก็จะไม่สามารถทำในสิ่งที่จะต้องการจะทำได้ดังนั้นเมื่อเราตั้งใจแล้วว่าชาตินี้เราจะสร้างทางสร้างบา ร, รมีต่างๆพอถึงเวลาเราก็ต้องมาเช่น mm. ถึงเวลาวันนี้มีเวลาว่างก็ต้องมาวัดเพื่อมาสร้างทางบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขัมมบา ร, รมีเ mm. มื่อเรามีสัจจะแล้วเราก็จะออกเดินทาง การจะออกมาเดินทางได้เราก็ต้องมีวิริยะบาลีความขยนันถ้าเราขี้เกียจเราก็อาจจะมาไม่ถึงวัดก็ได้มากลางทางเราก็เปลี่ยนใจขี้เกียจขับรถมาวัดมันไกลขี้เกียจเดินทางมาอย่างนี้เราก็จะมาไม่ถึงจะไม่สามารถทำสิ่งที่เราตั้งใจทำได้นอกจากมีวิริยะบาลีคือความขยันแล้ว เราก็ยังต้องมีขันติบามีคือความอดทนเพราะการทำความดีนี่มันมีอุปสรรคหลายอย่างด้วยกันอุปสรรคภายนอกและภายในภายในก็คือบางทีใจของเราโลเลบางทีกิเลสของเราก็จะมารบกวนทำให้เราไม่อยากจะทำทำให้เรารู้สึกอึดอัดลำคาญใจเราก็ต้องอดทน หรือว่าเวลาทำแล้วมีอุปสรรคภายนอกเช่นเดินทางมารถติดบ้างรถเสียบ้างเราก็ต้องใช้ความอดทนพยายามฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเพื่อให้มาทำในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำให้ได้ถ้าเรามีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะมีปุมีขันติเราก็จะสามารถสร้างบา ร, รมีต่างๆที่เราต้องการจะสร้างได้ เช่นสร้างทานบารมีศีลบารมีเนธัมมะบารมีโอเบขาบาลมีปัญญาบารามีและเมตตาบาลมีได้ถ้าเราสร้างบารามีหลากหลาได้แล้วเราก็จะสามารถปฏิบัติธรรมทําให้ใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวีนว่ายตายเกิดได้บรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานที่เป็นปรมังสุขขันได้ ปรามังสุขขั้มก็คือบรมสุขความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาความสุขทั้งหลายก็คือความสุขของพระนิพพานนี้เองจะเป็นของเราถ้าเราหมั่นสร้างบารมีต่างๆในชาตินี้ทุกวันทุกเวลาที่เรามีโอกาสที่เรามีเวลาว่างเหมือนที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้สร้างกันมา เราก็จะได้เป็นเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้เป็นภาษาวกทั้งหลายได้เป็นอย่างแน่นอนเพราะผลย่อมเกิจดจากเหตุเหตุก็คือการสร้างบารมีเมื่อมีมารมีแล้วมรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างบารมีต่างๆในวันนี้ให้ท่านได้ดงเอาไปพิพจิตรเจนาและปฏิบัติ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 ด้วยอายุมนัสุกภะระโดยทั่วท่ากานเธอ